ทกันก็มีเสียงพูดบ้างอีกไม่นานคงจะไม่มีเสียงดหมดไปเรื่อยๆชีวิตก็หมดไปเรื่อยๆาเวลาก็หมดไปเรื่อยๆโลกโลกองไม่ค่อยจะดบพบกันเรื่อยๆไม่เพื่อใหม่ไม่เพืเก่า ตลอดเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เสียดายเสียดายคนที่มีทุกข์ที่ไม่เคยได้บอกไม่เคยได้ยินคนทําผิดบางคนก็ไม่เคยบอกเราก็ไม่เคยได้ยินไม่รู้คนหลงเสียดายเขาไม่ได้มีใครบอกเขาเขาก็เลยหลงซะในตัวของเรานี่ก็เหมือนกัน ในพุทธะเป็นแก้วใจเป็นดวงใจสว่างสวยไตกระจ่ า, จางเหมือนพระอาทิตย์พ้นจากเมฆแต่มีอยู่แต่เมื่อก็มีโอกาสเมืดเพราะมีเบกมาบางังทำให้มองมาเห็นแทนที่จะใช้แสงแดดแสงอาทิตย์เพื่อตาว่า อ้าก็มู้หมดเสือก็งู้หมดฝนตกตกฝนเปียกพนเมฆก็มาบังซะไม่ได้แสงแดดบางทีฤดูหนาวหาเพียงแดดต่ยากในวัดเรามีแต่ร่มไม้ต้องออกไปเพียงแดดที่ไม่มีต้นไม้มีอยู่แสงแดดก็ ม, มืดก็มีในแสงแดดแสงอาทิตย์ แสงสว่างก็ไม่อยู่ในแสงอาทิตย์เพราะมีเหตุปัจจัยในใจเรานี่ก็เหมือนกันบางทีก็ลูแ้แจ้งบางทีก็มืดยองหลงพายหมืดพวไม่รู้พาให้มืดคํา ม, ล, ามลับของชังพาให้มืดความผิดความถูกพายหมืดความโกรธโลกหลงพาให้มืดกิเลสตัณหาพายหมืดเหมือ น, นองค์ติมานอาจารย์สอนผิดก็ให้หลง ตัวเงก็ชิดผิดตาให้มืดพาให้หลงํำลายฆ่าคนต้องหลายคนหลงอาจารย์สั่งให้ฆ่าคนให้ได้พันคนจึงจะมาเรียนศาสตร์ที่เย่อเยี่ยงได้หาคนเรียนได้ยากถ้าไปฆ่าไปก็หลงนับเลื่อยเลยเอาเนื้วมือมาเขียนคอ ก็เรียเลยชื่อว่าองค์คุรีมานคุดีคือ เ, เนื้มือแต่ก่อนเขาไม่ชื่อคุดีมานเขาชื่อเฮงส ก, กะก่อที่จะได้กินวพระพุทธเจ้าโอดก็นานเหลือเกินข่าคนตายกันจำมลมากแล้วมาได้ยินพระพุทธเจ้าโอดองคุดีมานก็ตัดขาถาขึ้นมา แต่ก่อนนี้มืดบอดไม่รู้อร่อยเหมือนก้อนเมฆบางแสงอาทิตย์วันนี้ก้อนเมฆหมดไปแล้วสว่างสวยแล้วนั้นก็จิตใจที่พ้นจากเมฆบอกแล้วยังคาถาของเทมานนี่ว่าพาชิต โยจะพุเปปมัิชิตวาปะฉาโสนปมัติติโสมังโลกังวะป่ า, าสิติอพูติโววัน์ที่มานี่เป็นก า, า, ารสาลีเราก็มองเห็นส่วนนี้เป็นชีวิตชีวาอยากจะบอกจะสอนให้มีอพุดเป็นเจ้าใจไธรรมเป็นเจ้าตาให้เห็นใช่ไ่มเห็นแสงสว่างสวย เวลามันหลงความไม่หลงก็มีเวลามันทุกข์ความไม่ทุกข์ก็มีเวลามันโกรธความไม่โกรธก็มีอะไรต่างๆมีอยู่ให้มีดวงใจแบบไม่บ้างตรงกันข้ามเมื่อมีแย่ก็มีไม่แย่เมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่ตายอยู่อย่าพลาดตรงนี้ทังเที่ยวสวดชาดุกสังขารทยเที่ยง นั่นย่อมในในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจุดในความไม่เที่ยงมองเห็นว่านั่นคือความไม่เที่ยงเบื่อหน่ายความไม่เที่ยงเสียเปียบความไม่เที่ยงหลงในความไม่เที่ยงเป็นสุขเป็นทุกข์ประความไม่เที่ยงต่อมาเมื่อเห็นเที่ยงเมื่อน่ายเป็นนิพพาน นี่คือแข้วตาเห็นไม่ใช่ตาเนื้อตาในสติปัญญาเป็นดวงตาภายในให้มีบ้างเข้วหวไไวูได้ยินเอาไว้บ้างได้ยินเอาไว้บ้างนี่ผู้พูดอยู่ให้คิดได้บ้างก็ได้ยินมาอย่างนี้เมื่อได้ยินมานี้เอาไปทําดูบ้างมันก็จะเป็นประโยชน์เจิงแมงตาไม่หู เีใจเพื่อเอามาใช้ให้เป็นเครื่องมือในการเอาตัวรอดบ้าจะเอามาเป็นทุกข์เป็นโทษนี่คืออาศัยการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสูตรตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเอามาทำเรียกว่าภาวนามายปัญญาจึงไหนเป็นความไม่ดี เอามาทำหนีจากความไม่ดีให้มันเกิดขึ้นยังไหนไม่เป็นทุกข์เอามาทำหนีจากความเป็นทุกข์ให้มันเกิดขึ้นกับมือกับใจเราเนี่ยเอามาทำํำเราไม่เคยได้ยินเลยมันก็ไม่รู้ก่อคิดได้ก็ผิดพลาดไปแล้วจนความผิดมันลงโทษความทุกข์มันลงโทษ บางทีคนบางคนก็ขิดหลาเพราะมันโกรธเพราะมันทุกข์กลายเป็นคนดีแต่ว่ามันก็สูญเฉียไปมากแล้วเ่นสมัยหลวงตาอยู่บางเลย40ปีก่อนลูกชายค่าพ่อลักเมียพ่อด่าเมียเมียอยู่บ้านกับปูลูกชายไปทำไร่ปู่ก็บ่นให้ลูกสะภ้าย ธรรมดาพ่อกับลูกก็ไม่เว้นใครจะบอกถ้าไม่บอกก็อะไรบอกอะไรที่มันควรจะถูกอะไรชื่ออมันถูกควรทามันผิดควรเลิกเมียก็โกรธให้ผู้ขี่รถมอไซค์ออกไปหาผัวที่อยู่ในไร่ลยพูดข้างเดียวหัวก็โกรธขี่มอไซคเข้ามาในบ้านไล่ป่วนลูกสองมาด้วย ว่ากำลังสารกระติบตข้าวอยู่เดียวปืนจากข้างล่างจอดมองใสไว้เดียวปืนขึ้นใส่ผู้ใส่พ่อของตัวเงพ่อก็เพียงเอาเ่ามือไว้อย่ายิงอย่ายิงลูกชายก็ไาฝังยิงแต่ลุกมือถูกหน้าผาของพ่อล้มตายลงเห็นพ่อตายเ้าจึง คิดได้ลุกขึ้นรีบขึ้นบนันบนบน้านเสียใจกรอดพ่อร้องไห้ว่าพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วเดเลือดเท็ดไหลเก็บพ่อไว้แล้วรีบกะโป้หมอใส่เข้าไปหาสถานีตำรวจในเมืองต่อมอบตัวติดผาาใหญ่ก็เลยเป็นคนดีตั้งแต่ประนันมา เป็นคนดีพอข้าพ่อเราจึงเป็นคนดีเจ็ดลาบจนได้เป็นผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็ยกย่องเหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรูข้าพ่อเป็นพระเจ้าเป็นดินเป็นพ่อก็เป็นคนดีแต่ต่อมาลูกพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ฆ่าพระเจ้าชาตรุย ฆ่ากันตายข้างขลัามาหลายชั่วคนจนประชาชนเบื่อหน่ยายขับสัดทั้งหลายมีแต่ข้าพ่อมีแต่พ่อฆ่ า, าลูกลูกฆ้าพ่ออยู่ช่นนี้เมื่อน่ายปฏิวัติในพุทธศาสนานี่ยถ้าไปอ่านดูตามตำรานั่นมันก็เสียหายแล้วเบื่อที่จะเป็นคนดีเอาพ่อข้าพ่อตายเ่อที่เราจะคิดได้เป็นทุกข์เป็นโทษ แต่ตัวเองแล้วคนอื่นจึงมาลไวิสาว่าอย่าเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปบตานที่ยี่สิบสองก่อนยายนมีก็ได้ยินคนบอกอย่าเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์เพราะความไม่ทุกข์ถ้ามีทุกข์อยู่ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความเปทุกข์เอาความไปทุกข์มาเป็นนิพพานเลย หัดทมหัดทำหัดทำดีใจเห็นมันทุกข์แก้วตาเห็นแล้วนี่คือทุกข์เหตุให้มันเกิดทุกข์วิธีดับทุกข์ออกหนีไปเห็นแก้วตาเป็นดวงตาภายในมีสติสัมชัญญาวางลงอย่าระยธดว่าทุกข์คือเราทุกข์อย่าทำตามความทุกข์อย่าระยึดเอา ความทุกข์ว่าเป็นตัวเป็นตนอุปทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดมั่นไม่ได้มันจะทาให้เราหลงเราก็ทาตามขันธ์ห้ายึดเอาไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เรววาวางลงวางลงแล้วพระอริเจ้าสลัดทิ้งของหนักคืออุปทานลงแล้ว เมื่ยิดเอาของหนั ก, กนอันเดินเคพื่อมมาอีกมันก็ชินไปแล้วความทุกข์ต้องปลอมหนักมีผู้ทำอย่างนี้พระเจ้ารู้เรื่องนี้สาวกทั้งหลายรู้เรื่องนี้พวกเราก็จนมาถึงบัด น, นี้ก็รู้เรื่องนี้จริงๆตังที่เราสวดพระสูตรมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์อย่างเอาแล้ว การทำที่จุดแต่งกองทุกนี้ควรจะมีเกิดขึ้นอยู่แล้วว่าโดยยอุปทานนักขันทั้งห้าเป็นตัวทุกคืออะไรว่าโดยย่อุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุก์ได้แจออะไรบ้างได้แจสิ่งเหล่านี้คือรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงได้ยินไหมความไม่เที่ยงมันเป็นทุก มีไว้ทุกข์ก็คมไม่เที่ยงสัญญาอไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดูไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนั่นไปยึดไม่ได้วางลงปองไว้พระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสร็แล้ว ทิ้งอันนี้ลงไปแล้วไม่ยืดเอาของหนักการเดินเข้ามาอีกเป็นผู้ชิ้นแล้วแห่งทุกข์ทั้งปวงมีเท่านี้ถ้าใครมีทุกข์ก็เรียกว่ามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เห็นแล้วเหมือนเราเป็นหมอเห็นโรคตรวจโรคพ่อโรคพบโรคห้อยหยกหยาโรคหาย โลกแห่งทุกข์หายโลกแห่งความโกรธหายเรยอว่าโลกขยะปะลมาราภะก็ไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐมันก็หมายถึงโลกคือความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงเนี่อันโลกสังขารร่างกายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้เรียกว่ารูปโลกนามโลกมีอยู่ในรูปคือกายอันโก่งโศกยาวนาคืบมีอยู่ในนามคือมันคิดอะไรได้ ว่านามโลกลูกทุกนามทุกทุกของลูกมีมากมายจะให้ทุกเป็นทุกให้ทุกเป็นปัญญาทุกของนามมีมากมายเพราะเราไมา่เห็นแค้งไม่วิปัจชนาเห็นเปยนเพียงอาการไม่ใช่ทุกเป็นอาการที่เกิดกับรูปเป็นอาการที่เกิดกับนาม่ร้จักจแยก รูปจากนามรูปจากเลียงรูปนามออกจากกันความทุกข์ของรูปจะเอามาประทุกข์ของนามถ้าเราไม่รู้ไม่ศึกษารูปเบี่ยงเ็นนามนามเบี่ยงเ็นรูปหมายถึงกายเบียเ่ยงเบนใจใจเบียเ่ยงเบนกายหูเข้าใจเป็นทุกข์วปดท้องใจเป็นทุกข์ถ้าใจโกรธกายเป็นทุกข์ ก็เพราะไม่ยืดกินเข้าไม่ลงถ้าเกิดความโกรธมันก็เบียดแยนกันเราจะมาศึกษกากรรมฐานเนี่ยมีคนถามเมื่อวานนี่ว่ากรรมาฐานคืออะไรภาวนาคืออะไรสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรกรรมาฐานคือที่ตั้งของการกระทำเอาติตมาต้งไว้ที่กาย ให้มีความรู้สึกตัวถ้ารูก้กายมีความรู้สึกตัวกายมันจะเป็นภาวนาที่อย่างไรภาวนาคือการเคลื่อนไหวขยันรู้เราว่าขยันรู้คือภาวนา14จังหวะรู้ทุกจังหวะมือที่เคลื่อนไหวรู้ไปกับการเคลื่อนไหวของกาย เพราะว่ามีฐานคือกายตั้งไว้ให้ผสมกับว่ากรรมาฐานคือการกระทามีที่ตั้งของการกระทำสิบี่จังหวะให้รู้ขยันรู้วินาทีหนึง่งรู้ทีหนึง่งวินาทีละรู้จนความรู้มันมากไปกับกายเมื่อกายมีความรู้ความรู้มีอยู่ในกายหนากายกลายเป็นตัวรู้ไปเลย แต่ก่อนกายเป็นตัวหลงถ้าเรามีกรรมฐานกาจะเป็นตัวลูกไปเลย ต, ตอนตาเดินตอนเช่าทำวัดเจดเนี่ยชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่วินาทีละลูกวินาทีนึงได้สองลูกเอาไปนั่นทาไมเราจึงทำอย่างนี้เรามาันแจกจะไปกเท่าหอเขียนอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งเอาไม่ใช่เดินนมนาวิ่งเอา ด้งก็ไม้ใช้วิ่งเฉยๆแกงแขนไปด้วยวินาทีหนึ่งได้สองลูกถ้าเราทำอยู่นี่วินาทีละลูกหลงต่อชำนานแล้วสร้างภาวนามากรรมฐานมาสี่สิบกว่าปีลูกเนี่กล้พุทิเหตุหน่อยก็ลูกยากมันหลงง่ายหลงมากกว่าลูกไม่เป็นไรเปลี่ยนหลงเป็นลูกนั่นะมันดีถ้าไม่หลง ไม่ได้จะเอะความหลงจะไม่เห็นความหลงชัดเจนให้มรู้เนี่ยภาวนาคือยันรู้อย่างเนี้ยไม่ใช่อยู่ในตำราเขาก็ถามว่าพุโทธโธพุทโธใช่ไหมไม่ใช่พุโทธโธพุทโธเป็นบริกรรมเป็นปากพูดเป็นบริกรรมเข้าไปไม่มีความรู้ก็ได้ว่าพุโทโธปัดบริกรรมบอกไม่ต้องว่า ให้ลูกเขาไปเลยในกายไปเลยจะเอาพุทธโธมาเป็นภาวนาจะเอายกหน่อพองหน่อมาเป็นภาวนาจะเอาสมมาละหังมาเป็นภาวนาบริกรรมอยาให้มีมาขวางกั้นให้ตัวลูกเขาถึงกายตาลูกถึงกายจาลูกถึงใจนันรือว่าภาวนาแล้วอะไรรู้ไปหมดเวลามนชิดก็รู้ เห็นมันคิดไม่อยู่ในความคิดมันรู้ก็ไม่อยู่ในความรู้เห็นแล้วนี่คือความรู้มันสงบเห็นแล้วนี่คือความสงบไม่เข้าไปอยู่ในความสงบมันโกรธมันหลงก็เห็นแล้วไม่เข้าไปอยู่ในความโกรธนี่คือภาวนานี่แต่เห็นไม่แต่รู้เข้าไปมันจะมีอะไรเหลือแล้วอะไรจะเป็นใหญ่ แต่ก่อนไม่มีภาวนาความหลงเป็นใหญ่ความสุขเป็นใหญ่ความทุกข์เป็นใหญ่ความโกรธเป็นใหญ่ความรักความชังเป็นใหญ่ความดีใจเสียใจเป็นใหญ่เราทำตามความรักความชังทำตามความดีใจเสียใจจนข้าพ่อตายความโกรธเป็นใหญ่ถ้ามีความรักก็เสียบเหียบเสียตัวเสียผู้เสียคนเพรความรัก อ, อกหักเสียอกเสียใจเกิเป็นทุกข์ความรักเหมือนกันเกิเป็นสุขความรักเหมือนกันให้ความรักมาเป็นสุขให้ความเกลียดให้ความโกรธมาเป็นทุกข์ไม่ใช่เลยสินทราบกันแล้วเราเห็นมันแล้วมันให้แจ้วตาเห็นแล้วตาภายในความสุขหลอกไปได้นี่คือความสุขที่ได้บัดสักว่าสุข นี่คือทุกข์ที่หน้ามันจักว่าทุกข์เห็นแล้วเป็นปัญญาแล้วปัญหาเคยเป็นปัญหาแต่ก่อนบบบนี้ปัญหาเป็นปัญญาไปแล้วจบไปแล้วมันมีความจบเป็นความหลงเป็นการจบเป็นความโกรธเป็นการจบเป็นความทุกข์เป็นความจบเป็นนี่ว่าสิน้นพระเจ้าจึงตรัสว่าสิ้นแล้ว ชาติแห่งความทุกข์สิ้นแล้วไม่มีอีกแล้วสิ้นภพสิ้นชาติแล้วชาติแห่งความโกรธหมดแล้วไม่มีอีกแล้วก็เป็นทิสระมาจากขนาดไหนชีวิตของมนุษย์ถ้าเราไมา่ศึกษาไม่รู้มันก็เวียนว่ายแต่เกิดโกรธแล้วโกรธอีกกี่ครั้งจี่หนทุกแล้วทุกอีกกี่ครั้งจี่หนรักแล้วรักอีกเกลียแล้วเกลียดอีกกี่ครั้งจี่หน ของมันเก่าบางทีมันลักบางทีมันเกลียดทำไมจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่สัจธรรมคนผู้เห็นแจ้งจะเห็นเรื่องนี้ชัดเจนนี่คือภาวนาสมถะคืออะไรสมรถะคือกดทับเอาไว้บริกรรมเอาไว้หายใจเข้าตามลมหายใจเข้าไป ไม่เอาเฉพาะลมหายใจบริกรรมไปด้วยหายใจเข้าพูทสุดลมเข้าหายใจออกยาวๆทุ่นี้ไปไหนไม่ได้เลยมันหนีไปไหนไม่ได้มันมัดมือแล้วตโวตหลับตาเข้าไปนี่สมาะเกิดมาก่อนพระพุทธเจ้า ห้าพันปีไม่มีคำว่าวิปัญนาสมัยก่อนมีแต่ว่าสมถะบีปังค้าพเวไปจนนิ่งเหมือนศิลาก้อนเห็นเอาก้อนเห็นมาทับญ้าเอาก้อนเห็นมาทับญ้าในแผ่นดินที่นี่เคยมีหญ้าเกิดเอาศิลาเอาก้อนเห็นมาทับไปหญ้าก็ไม่เกิด แต่แม่ไม่เกิดเพราะธรรมชาติมันมีเครื่องทับอยู่เมื่อเอาก้อนหินอกหญ้าก็เกิดขึ้นมาอีกนอกจากเสียเวลาอยู่กับสมาธนี่ตั้งแต่อายุสิบหกปีถึงถึงอายุเกือบสามสิบปีจึงมาเจอหลวงพ่อเทียนนอกจากความสงบแล้วก็เล่นไปอีกกับไตรชาสตร์ไปตามหน้ามุกหน้า ม, มน ตามเครื่องลังของขังเป็นหมอยศยลาตากไล่ผีไล่สางไปเนื่อว่าตัวเองวิเศษจีแล้วไม่รู้วิปัจจนามสมถะคือทำให้สงบวิปัสนาทำให้รู้แจ้งทะลุทะลวงเห็นตามความเป็นจริงความหลงไม่จริงความรู้สึกตัวจริงกว่านี่คือวิปัจจนาความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงกว่า นี่คือวิปัจนาความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่านี่คือวิปัจนาความแย่ไม่ใช่ชีวิตเราความไม่แย่มีอยู่ในความแย่นี่คือชีวิตเราความเจ็บไม่ใช่ชีวิตเราความไม่เจ็บคือชีวิตเราอย่าเจ็บเพราะความเจ็บอย่าแย่เพราะความแย่อย่าตายเพราะความตายอย่าทุกข์เพราะความทุกข์อย่าโกรธเพราะความโกรธนี่คือวิปัจนา เห็นวันทุกข์เก็นันโกรธหนวันแช่เจ็บตาเลยต้องไม่เป็นอะไรหลวงพ่อเทียนนี่คนถามอ่ะที่บ่ายไม่เข้าใจค่ะว่าหลวงพ่อเทียนทูดว่าเชือกขาดหมายถึงอะไรจะเป็นคำพูดไม่ได้เรื่องนี้เป็นประมติสัจจะถ้าพูดก็สมมติมาพูดไม่คนจะแปลหลังสือหลวงพ่อเทียนจากภาษาไทยเป็นภาษากีน ก็ ว, ว่าเชื่อกขาดมีคนถามมาก็ ว, ว่าเชื่อกขาดคืออะไรอธิบายยังไงมันไม่มีคําพูดถ้าเอาคํามาพูดก็เป็นสมมุติปัญญตัติไม่ใช่ปรมตา จ, จักรเชื่อกขาดไม่มีอะไรมาสมมุติเลยหลวงพ่อเตี้ยนเลยพูดว่าเชือกมันขาดแล้วก็เนื่ยมืออธิบายเลยถ้าสุขไปทางศุกบวกเข้าไป ถ้าทุกข์บวกเข้าไปถ้าโกรธบวกเข้าไปถ้ารักบวกเข้าไปดีใจบวกเข้าไปเสียใจบวกเข้าไปความดีใจเป็นอย่างันี้เชื่อมังคาาถ้าสุขเห็นมันสุขไม่ใช่เป็นผู้สุขถ้าทุกข์เห็นมันทุกข์จะให้เป็นสุขมันไม่เป็นมันคืนตัวโหดตัวไว้ ถ้าสุขเห็นมันสุกมันโหดตัวสู่ธรรมชาติอต่ไม่เห็นเห็นมันสุกเนี่ยมันอิสฉาอิสฉามากถ้าเป็นผู้สุกกล่อมมาเป็นสุขอิสระเห็นมันสุขห่ อ, อนลำกว่าใช่ไหมไม่ไปอิสระใหญ่เนี้่ยไม่เป็ด น, น้นองตาเลยพูดแบบภาษาลองตาไม่เป็นผู้สุขง่ายเป็นผู้ทุก ไม่เป็นอะไรครับอะไรเอาอะไรที่อะไร น, นี่อันเดียวกันหลวงพ่อที่อนที่เียวกันแต่มันก็รูปเที่ยงมันมีอยู่นะตาก็เห็นอยู่มองเห็นแม่ชีมองเห็นตาเห็นอยู่แต่ใจเกียดมันไม่เอาแค่จะให้รักมันก็เอาหูก็ได้ยินอยู่แต่ว่าไม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วหูหนวกแล้วถ้า <laughs> จะยินเขายกย่องสบายใจมันไม่เอา ต้คาคนนี้ถ้าเสียใหญ่มันไม่เอาอันรุดของโลกขาดขาดแล้วนี่ยอมีอยู่ทุกคนเห ร, แรเยแล้วแต่ถามใครจะอธิบายเรื่องนี้ได้ก็แล้วตายหลวงตาไม่มีคัญญาที่ธอธบายละมีคนถามอยาจะหลวงตาพูดอันเดียวกันไหมเราบัเทียนมาเชื่อกขาดหลงตาพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไร อันเดียวกันอันเดียวกันมันจบเห็นบรรจบไม่เป็นวุจุกมันจกไม่เป็นสุขมันจะให้เป็นสุขไปขาดเราสู่ธรรมชาติความสุกไม่ใช่ธรรมชาติมันฝืนธรรมชาติถ้าเห็นันรุกไม่เป็นู้สุกเชือกมันขาดมันออกมานี่จิตใจเป็นสละแก้วใจเจ้าตาเจ้าหู ไม่อยู่แล้วทุกคนเรียกว่ารัตตนาะลัตตนาสามเหมือนแม่สอนลูกลูกเอ้ยเจ้ามีรันตนาไตแล้วนะตั้งแต่อายุหกเดือนโ น, น่นว่าลูกโตขึ้นมาแม่บอกเจ้ามีลันตนาไตแล้วตั้งแต่อายุอยู่ในครรภ์แม่หกเดือน แม่พาไปฟังเทศวิจเจ้ากุศธาเอ้พุทธังสนังกัจจามิธรรมังสนังกัจจามิสังขังสนังกัจจามิข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสันนะข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกท้องพวงได้ข้าพเจ้าถือไว้ทำเป็นสรณะข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกท้องพวงได้ เจ้าเจ้าต๋อพระสงฆ์เป็นชนะข้าวเจ้าจะพ้นจากทุกทั้งปวงได้แม้แต่ลูกอยู่ในขันของข้าเจ้าเพิ่งเกิดได้หกเดือนโหถึงพลัตนาใจด้วยเป็นที่เพิ่งนี่คือรัตนาแต่าแกะว่าอันประเสริฐอยู่ในชีวิตเต๋อเน่เคยว่าไหมอย่าเป็นนกแก้วนกขุนทองแก้วจ๋าชิมเขากับกล้วยไหม เจ้าจ๋าจิงเข้ากับกล้วยบ่จิ้งกับพริกมันก็ว่าจิ้งกล้วยจิ้งกลยมีโกดยัง嘛พุทธังอยังไม่ใช่พุทธังจริงๆมันลู่ตื่นเบิกบานเห็นความทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พุทธังชนังกัจาไม่เปลี่ยนอะไรนะี่คือพระพุทธเจา้าเห็น ม, มนันจบธรรมังชนังกจาเป็นพระธรรมเป็นอาการอาการที่เกิดขึ้นกับกากับใจเรา ก็พูดจากนะถ้าได้ยินเอาไว้อย่าจนเสียดายคนเราวันหลงตรงที่ให้หลงเป็นหลงแทนที่มีปัญญาตรงนั้นคนที่ทุกให้ทุกเป็นทุกเสียดายแทนที่มีปัญญาตรงนั้นคนที่โกรธเป็นผู้โกรธเสียดายมากแทนที่จะมีปัญญาตรงนั้นได้ยินไหมมีผู้บอกเราแล้ว พี่คนบอกแล้วมีพระสงฆ์ในพุทธศาสนาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ดนตีไม่ใช่นิยายให้ท่านทั้งหลายหลงม่่ยท่านทั้งหลายได้เห็นแจ้เยเรียกว่าเทสนาใหม่แจกแจงขี้แจงออกนี่ก็ต้องมีบ้างไอ้นี่เขาสอนกับอย่างนี้นอกจากนั่นกับพาธรรมยกมือซากจงกังหวะโดนจังกรม ออกให้หมดเลย